ก็ความในคำพีคุธกานิกายอิติวุตตะต่อนะครับว่าด้วยสัมปชานามุสาวาทสูตรนะครับพูดถึงสูตรที่กล่าวโกหก ท, ทั้งที่รู้อยู่นะครับจริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอระหันตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดบมาแล้วว่า ดูความพิสูน์ทั้งหลายเมื่อบุคคลล่วงธรรมะอย่างหนึ่งแล้วเรากล่าวว่าบาปประกรรมไรๆอันเขาจะไม่พึงทำไม่มีเลยธรรมะอย่างหนึ่งเป็นไนคือสัมปชานมุสาวาตถ้าหาวโกหกแล้วนะบาปอย่างอื่นที่จะไม่ทำไม่มีรอบนะถ้าโกหกก็ยังกล้าเลยนะเพราะฉะนั้นบาปอื่นๆเ น, นี่ยหายห่วงได้เลยนะ ไม่ใช่พระดรําราชของพระพุทธองค์ตัดไว้คงจะต้องมีคนเถียงแน่เถียงว่ายังไงเถียงว่าอา้าก็โกหกก็ไม่ได้ฆ่าสัตว์นี่ไม่ได้รักทรัพย์นี่มันจะว่าถ้าโกหกของก็ไม่ถึงกับการฆ่าสัตว์นี้คือหมายถึงว่าถ้าหากว่าโกหกแล้วนะบาปอย่างอื่นที่จะไม่กล้าทําต่อไปอีกเนี่ยคงเป็นไปได้ยากนะครับที่จะไม่ทําบาปอย่างอื่นอีกนะถ้าโกหกยังโกหกได้นะ คือไม่ได้พูดว่าขณะที่โกหกแล้วก็ทําบาปอย่างอื่นด้วยแต่คาหมายคราว่าถ้าหาว่าเข้าโกหกได้นโะมสาวาดไดนะ้บาปอย่างอื่นๆต่อไปเนี่ยนะครับไม่มีอีกแล้วที่เขาจะไม่กล้าทําพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าบาปประกรรมที่สัตว์ผู้เป็นคนมักพูดเท็จล่วงธรรมะอย่างหนึ่งแล้วข้ามโลกหน้าเสียแล้วนี่นะครับ จะไม่พึงทำไม่มีเลยนะครับข้ามโลกหน้าก็คือข้ามสุขคติซะแปลว่าจะไปอาบายนั่นเองนะครับการพูดโกหกโดยเหตุผลทั่วๆไปนะครับที่เขานิยมพูดโกหกกันนะเนื่องจากต้องการรักษาใจอีกฝ่ายหนึ่งให้อีกฝ่ายหนึ่งสบายใจก็เลยพูดโกหกนะครับเขายกตัวอย่างว่ามีฝรั่งคนหนึ่งเนี่ยนะครับ กับภรรยาเนี่ยทุกปีจะต้องไปเยี่ยมแม่ยายก็ขับรถไปไกล้ไปเยี่ยมแม่ยายแม่ยายก็เออลูกมาเยี่ยมนะก็ทําพวกขนมทั้งร้ายเนี่ยนะเลี้ยงโดยเฉพาะประเภทฟักทองเนี่ยนะที่นี้ก็เอามาเลี้ยงลูกเขยลูกเขยก็ราบประทานก็อุ้ยชื่นชมแม่ยายใหญ่เลยเนะก่งมากอร่อยนะครับที่ชมเนี่ยนะคือชมไปอย่างงั้นแหละครับ อยากให้แม่ยายสบายใจที่แม่ยายอุตส่าห์ลงทุนลงแรงทำะนะก็เลยชมไปอย่างนั้นนะครับมุสาวาศนะที่จริงมเบื่อจะตายอยู่แล้วมันจะเททิ้งแต่ก็ยังชมโอ้ดีจริงนะอะไรเงี้ยนะทีนี้ก็ทําอยู่อย่างงี้หลายปีด้วยกันถามว่าถ้าแม่ยายรู้ตอนหลังถามว่าเขาจะดีใจไหมว่าถูกหลอกมาตลอดเลยนะไอที่เขาว่าอร่อยอร่อยเนี่ยนะในความรู้สึกเนี่ยเข า, าจะดีไหมนะครับ เอาไม่ใครมาหลอกเราว่าหลอกเราเพื่อให้เราสบายใจเนี่ยถามว่าเราชอบไหมนะครับเพราะฉะนั้นมู่สาวาตเนี่ยนะมันพาซึ่งความเสียหายอย่างอื่นๆเนี่ยตามมาอีกมหาศาลนะครับแต่โดยทั่วๆไปก็จะไม่ค่อยคิดอะไรนะครับนึกว่ามันไม่มีโทษก็เลยไม่ไม่ค่อยได้สังวรในการใช้วาจาทั้งหลายเหล่านี้ทีนี้เมื่อวาจาเหล่านี้ที่เขากล่าวออกไปเนี่ยนะครับจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเถอะบางทีก็โกหกเพื่อที่จะ เอาไว้หลอกกันเล่นนะ่ะนะไว้สนุกสนุกเหมือนกับที่ไปบินธบาตไม่ได้อะไรหรอกแต่ก็บอกว่าถ้าไปบินธบาตน้ํามันนะไม่ได้น้ํามันมาหรอกครับแต่กลับมาเขาถามมาได้น้ํามันไหมบอกหูน้ำมั น, ม น, มนเหมือนกับยังจะท่วมหมู่บ้านอย่างนั้นนะ่ะนะพวกเรานี้ก็มุสาวาตนะครับพันมุสาวาททั้งหลายแล่เนี่ยที่บุคคลสะสมไปบ่อยๆมากๆขึ้นก็จะเป็นเหตุให้ไปทําบาปรกรรมอย่างอื่นนะครับทีนี้มุสาวาทนี่นะครับมันเป็นทุจริญนะเป็นวจีทูจริต เมื่อทุจริตทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะครับเกิดขึ้นในจิตสันดานของสัตว์นั้นๆบ่อยๆกุศลธรรมอย่างอื่นๆที่จะเจริญงอกงามก็คงยากนะครับโดยเฉพาะสติปัฏฐานเป็นต้นเนี่ยเกิดยากเพราะว่าไม่สุจริตพอที่จะเจริญกุศลธรรมเหล่านั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นพอมีสติและลึกรู้ว่ามุสาวาดเนี่ยนะครับเป็นไปก็หมั่นสมทานนะครับ เห็นว่าโอ้เจตนาที่เป็นไปกับมุสาวาตเนี่ยก่อทุกข์ก่อโทษนะแล้วก็ทรงจําสูตรนี้เอาไว้ให้ดีๆนะครับบอกว่าบา ป, ปรกรรมรายๆเนี่ยนะที่เขาจะไม่พึงทําไม่มีเลยอะ่ะถ้าเขาสัมปชาญญมุสาวาตได้นะถ้ากล่าวเท็จทั้งที่รู้รอยู่ได้เนี่ยบาปอย่างอื่นๆต่อไปจะไม่ทําอีกไม่มีเลยนะครับก็ถ้าทรงจําพระสูตรนี้ไว้ก็จะได้สังวรสํารวมระวังแล้วก็ใครทีเ่เราเกี่ยวข้องกับเขาอ่ะนะถ้า เห็นเขาโกหกเนี่ยนะครับมูสาว่าทั้งๆที่รู้อยู่หน้าด้านๆเป็นต้นเนี่ยก็แสดงว่าบาปอย่างอื่นๆที่เขาจะไม่ทําอีกเนี่ยคงหายากนะครับขนาดมุสาว่าเนี่ยสัจจะความจริงแท้เขายังก้าวล่วงเลยนะครับเพราะฉะการศึกษาหรือการปฏิบัติธรรมในพระาศาสนาเพื่อให้เข้าถึงอะไรครับเพื่อให้เข้าถึงอริยสัจนะให้เข้าถึงความจริงความแท้แต่ในชั้นต้นเนี่ยครับเขามูสาว่าตั้งแต่แรกแล้ว啊 มันจะไปเข้าถึงความจริงความแท้อะไรได้นะครับเนี่ยนะเหมือนกับยกตัวอย่างว่าพระพิสุกล่าวว่าปฏิญาณว่าจะบวชเข้ามาแล้วที่จะประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะครับแม้กระทั่งในเวลาที่บวชเนี่ยนะแล้วก็แม้กระทั่งคําขอบวชก็หมาจะเอาจริงเอาจังหลือเกินเป็นต้นเนี่ยนะครับพอบวชเข้ามาแล้วก็ไม่ประพฤติปฏิบัติตามก็เท่ากับมุสาวาสนั่นเองนะครับ ทีนี้พอมุสาวาทก็ไม่เจริญงอกงามในคำสอนของพระ อ, องค์หนักๆเข้าก็อยู่ในรูปแบบของสมณะเพศแต่ก็ใช้ลัตทธิเดรธีมามาเล่าเรียนมาศึกษากันเป็นต้นนะครับในที่สุดก็เริ่มห่างจากพระาศาสนาทีนี้เวลาตัวเองไปทำอะไรก็ทำในนามของพระาศาสนานะครับทีนี้ก็พาความเสียหายอย่างอื่นก็มานะครับก็แสดงว่าเป็นคนที่ไม่มีสัจจะแล้วก็ ในขณะเดียวกันก็ไม่มีความกระตันอยู่ต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับซึ่งเป็นเจ้าของพระศาสนาแม้กระทั่งปัจจัยสี่ที่บริโภคไข้สอยก็เป็นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเพนนั้แต่ว่าในสูตรนี้ เ, เรื่องที่เป็นต้นเหตุให้พระองค์ตรัสเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องนางจินจะมานวิการนะครับอันข้อความในประมัทีปณีอัตคถาสัมปชานมุสาวาสูตรนะครับกล่าวว่าคือเรื่อง เกิดว่าลาบสการะนะครับเป็นอันมากเกิดแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์ส่วนพวกเดรธีก็เสื่อมจากลาบและสการะนะครับคือถ้ามีคนได้ก็ต้องมีคนเสียแะครับในงานเดียวกันเนี่ยนะพวกเดรธีเมื่อเสื่อมจากลาบสการะก็อับเฉาหมดฤทธเดชเกิดริษยาขึ้นนะครับเห็นเข้าได้ดีก็ไม่มุทิตาแล้วนะครับริษยาก็เกิดมากมายจึงพากันชาตชวน พวกปริภาชิกานะครับชื่อว่านางจินจะมานวิกาว่านี่เนี่ยน้องสาวเธอจงกล่าวตู่พระสมณะโคดมด้วยคำไม่จริงทีเถอดนะครับอันนี้เป็นคำเล่ารวบรัตนะครับส่วนรายละเอียดมีในที่อื่นๆนะครับนางจินจมานวิกานั้นก็เข้าไปหาพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งกำลังแสดงธรรมในถ้มกลางบริษัทนะครับคือเขาก็มีการวางแผนมานานแล้วละ่ะเสร็จแล้วมีอยู่วันหนึ่งก็ เข้าไปในถ้ำกลางบริษัทกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคด้วยคำไม่จริงแล้วเท้าส ก, ก่าก็ได้ประกาศความไม่จริงของนางในถ้ำกลางบริษัทมหาชนก็พากันแช่งด่าว่าอีหญิงการ์กินีแล้วก็ฉุดกระชากออกไปจากวิหารพอออกพ้นวัดนะครับแผ่นดินก็ได้แยกออกเป็นช่องอนางจินจะมานวิกาก็เป็นดุดฟืนติดเปลวไฟนะครับเปลวไฟในนรก น, นะ ตายแล้วก็ไปบังเกิดในอเวจีมหานรกนะครับจากศพก็เหมือนกับเป็นฟืนเนี่ยนะครับไปส่งเสริมให้ให้ไฟนรกมันร้อนแรงมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นพวกเรียรีก็ยิ่งเสื่อมจากลาบสการะมากขึ้นไปอีกนะทำให้เห็นว่าโอ้โหลาบสการะนี่มันอันตรายจริงๆนะครับ ผู้ที่ได้ลาบสการะมากๆถูกลาบสการะครอบงำจิตก็เสื่อมจากสมาธิผู้ที่เสื่อมจากลาบและสการะก็เร่าร้อนอิสาริสยาอีกนะครับเพราะฉะนั้นลาบสการะนี่มันอันตรายทารุณเผ็ดร้อนนะครับทีนี้หลังจากนั้นพี่สุทั้งหลายก็ประชุมสนทนากาันในโรงธรรมว่าอาวุโสทั้งหลายนางจินจะมานวิกาณิด่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นทักขินยะบุคคลผู้เลิศ ทรงคุณยิ่งด้วยคำไม่จริงได้ถึงความพินาษยิ่งใหญ่ดังนี้นะครับโอ้ขนาดคนขนาดนี้ก็ยังมาตู่อีกนะครับยังมามามุสาวาดอกีกพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงอาศัยเหตุนั้นก็ตรัสมหาปทุมชาดกว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายนางจินจะมานวิกาได้ด่าเราด้วยคำไม่จริงแล้วถึงความพินาษยิ่งใหญ่ไม่ใช่ในบัดนี้เท่านั้นแม้เมื่อก่อนก็เหมือนกัน และเมื่อจะทรงแสดงธรรมให้ยิ่งขึ้นจึงตรัสพระสูตรนะครับในชาดกานะนะส่วนข้อความในสูตรนี้ก็คือเพื่อขับเน้นให้เห็นถึงว่านางเนี่ยได้ประทุสร้ายต่อผู้ไม่ประทุสร้ายนันะครับในบทว่าเอกธรรมมังคือธรรมะคือวจีสัจจะอย่างหนึ่งนะครับสัจจะคือคําพูดนะสัจจะนี่มีหลายอย่างใช่ไหมครับเช่นอริยสัจวจีสัจเป็นต้นเนี่ยนะ บทว่าอาติตร ะ, ะความว่าเมื่อบุคคลล่วงเลยมันยากอันพระอริยะทั้งหลายเวนนะครับคือเวนโวหารอันไม่ใช่อริยะ8ประการเพื่อดำรงมั่นอยู่ในโวหารอันเป็นอริยะแปดประการนะครับจึงยึดมั่นอยู่ด้วยบทว่าสัจจังพนเนนะอลิกังแปลวะ่าควรพูดความจริงไม่ควรพูดเลอะแหละดังนี้เป็นต้นนะครับ บุคคลคือบุรุษชื่อว่าบุรุษบุคคลอันบุรุษบุคคลนั้นบดว่าอาักขารนิยังได้แก่ไม่อาจเพื่อจะทําจริงอยู่บุคคลพูดเท็จทั้งๆรู้กระทําบาปประกรรมรายๆไว้เมื่อเขาพูดว่าท่านทํากรรมนี้ยังจักยืนยันด้วยคําเท็จว่าเราไม่ได้ทําดังนี้คือแค่ว่าเขาถามนะท่านทําใช่ไหมบอกไม่ใช่เมื่อปฏิบัติอยู่อย่างนี้ยังทําบาปกรรมเรื่อยๆไป ย่อมไม่ละอายในบา ป, ปรกรรมนั้นเพราะล่วงเลยคําสัตย์อันเป็นมัญญาที่ดีนะครับเป็นศีลที่ดีทางวาจาเนี่ยนะก็ล่วงเลยไปด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่ากัตมังเอกธรรมมังยะทิทังพิกเวสัมปชานัมปชาณมุสาวาโดดูกรพิสูจน์ทั้งหลายธรรมะอย่างหนึ่งเป็นชนยัยคือสัมปชานามุสาวาตังนี้นะครับบุคคลผู้ล่วงเลยมัญญาอันเป็นของพระอริยะเนี่ยนะครับ คือหมายเขาว่าไปพูดคำพูดที่ไม่ใช่อริยะโวหาร8ประการถามว่าอะไรบ้างครับคำพูดที่เป็นอนริยะนี่นะครับ8ปประการนี้มีอะไรบ้างครับ 1. ไม่เห็นว่าเห็นนะครับไม่เห็นว่าเห็นไม่ได้ยินว่าได้ยินไม่ทราบว่าทราบไม่รู้ว่ารู้นะครับหรือบางทีเห็นก็บอกว่าไม่เห็นได้ยินก็บอกว่าไม่ได้ยินนะครับทราบก็บอกว่าไม่ทราบ รู้ก็บอกว่าไม่รู้เนี่ยนะครับลักษณะนี้เรียกว่าอริยโวหารเป็นคําพูดของไม่ใช่อริยชนนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นลักษณะของมูสาวาทนั่นเองนะครับส่วนอริยะชนก็จะกล่าวถ้อยคําที่เป็นอริยะนะครับ8ประการเหมือนกันถามว่าอะไรครับไม่เห็นก็บอกว่าไม่เห็นไม่ได้ยินก็บอกว่าไม่ได้ยินไม่ทราบก็บอกไม่ทราบไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้เห็นก็บอกว่าเห็นนะครับ ได้ยินก็บอกว่าได้ยินทราบก็บอกว่าทราบรู้ก็บอกว่ารู้นะครับท่านจะไม่มุสาวาทไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ในทวารใดก็ตามนะครับมันมุสาวาทเหล่านี้ก็เอาเอาอารมณ์มาจับนะครับเอาอารมณ์ที่ถูกเห็นที่ได้ยินที่ทราบที่รู้มาเป็นเครื่องวัดนะครับว่ามุสาวาทหรือไม่นะครับว่ากล่าวถ้อยคำตามเป็นจริงในอารมณ์ทั้งหกไหม ถ้าหากว่าในชั้นต้นเนี่ยนะครับกล่าวความไม่เป็นจริงในอารมณ์ทั้งหกแล้วเขาจะเจริญวิปัสนาเป็นต้นในอารมณ์6กได้อย่างไรใช่ไหมครับเพราะในชั้นต้นเนี่ยนะครับได้รับรู้ปารม์ก็โกหกซะแล้วได้ยินศรัทธารมณ์ก็มูสาว่าเสียแล้วนะครับได้รับกลิ่นรสพอทภะก็โกหกตั้งแต่ต้นรับรู้อะไรก็มูสาว่าตั้งแต่แรกมันก็ยากเหมือนกันนะครับที่จะเจริญวิปัสนาเพื่อพิจารณาถึง ความจริงแท้เหล่านั้นๆนะครับที่จะไปพิจารณาความจริงแท้ว่าเออนี้ทุกขศาสตย์นะนี้สมุทัยศัสต ร, ร์นี้นิโรธศัต ร, ร์นี้ข้อปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงนิโรธสัตร์อันนั้นๆนะครับถ้าหากว่าล่วงเลยล่วงเลยคําพูดที่จริงแท้ตั้งแต่แรกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเบื้องต้นของพรหมจารย์หรือเบื้องต้นของเสียขาในชั้นต้นๆก็คือศีลทั้งหลายนั่นเองนะครับการใช้วาจาก็ต้องเป็นวาจาที่จริงที่แท้นะครับ ทีนียในการกล่าววาจาที่จริงที่แท้ก็ไม่ใช่เป็นวาจาที่มุ่งให้คนแตกร้าวกันออนะครับลักษณะของวจีสุจริตเนี่ยนะครับในชั้นต้นเลยต้องพูดคำจริงคำแท้ก่อนแต่คำจริงคำแท้นั้นก็ไม่ใช่ไปส่อเสียดให้เขาแตกร้าวกันนะครับแล้วคำจริงคำแท้นั้นก็ไม่ใช่เอามาพูดให้มันหยาบคายด้วยอำนาจโทสะแล้วความจริงแท้เหล่านั้นก็ไม่ใช่ไปพูดสิ่งที่เพ้อเจ้อไรสาระ ก็ต้องพูดคำนั้นน่ต้องเป็นคำจริงคำแท้ก่อนแล้วก็เป็นถ้อยคำที่ประสานประโยชน์ของศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยก็อีกอย่างหนึ่งแล้วถ้อยคำที่พูดออกไปต้องพูดด้วยเมตตาจิตนะครับแล้วเนื้อหาที่พูดไปนั้นต้องเป็นหลักเป็นฐานนะครับเป็นปหาณวินยัยเป็นไปกับสังวรวินยัยเป็นต้นนะครับลักษณะนั้นจึงจะเป็นวจีสุจริตวจีสุจริตทั้งหลายเหล่านี้นะครับเป็นฐานเพื่อการรองรับ กุศลธรรมชั้นสูงได้นะครับนะปัญหาสําคัญก็อยู่ที่การใช่วาจาแล้ววันๆหนึ่งเนี่ยนะครับเราใช่วาจากันค่อนข้างมากนะครับบุญบาปก็อยู่ที่นี่แหละครับจำนวนไท้ายๆว่ากระดกลิ้นเท่านั้นแล้วก็ได้บุญได้บาปแล้วนะครับลิ้น3มนิ้วที่ตวัดไปตวัดมาจะเป็นกุศลหรือจะเป็นอกุศลก็เนื่องด้วยเจตนานั้นๆทํายังไงเจตนาที่เป็นเหตุให้วัจี หรือคําพูดเป็นไปเนี่ยนะครับจึงเป็นไปได้ด้วยกุศ ล, ลเจตนาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าทําด้วยกุศลพูดพันคําหรือพูดหมื่นคําแสนคําก็เป็นบุญไปทั้งวันเลยนะครับก็ตรงกันข้ามกับว่าจีสุจิริถ้าพูดทั้งวันก็บาปทั้งวันอีกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นส่วนตรงนี้ก็เนื่องด้วยสุจริตมีอะไรเป็นอาหารครับอินทรีย์สังวรนะครับเป็นอาหารของสุจรินะครับว่าจีสุจริตนะครับ อินทรีย์สังวรก็นะับว่าสําคัญนะครับเดี๋ยวจะมีสูตรข้างหน้านะครับส่วนในคาถานะครับในคาถาที่พระ อ, องค์ตรัสว่าบาปรกรรมที่สัตว์ผู้เป็นคนมักพูดเท็จล่วงธรรมะอย่างหนึ่งแล้วข้ามโลกหน้าเสียแล้วจะไม่พึงทําไม่มีเลยเนี่ยนะครับอธรริษฐานอธิบายถึงคําพูดสิบคาไม่มีคําพูดจริงแม้แต่คําเดียวนะครว่าไปเรื่อยนะครับมุสาวาต ยิ่งอาชีพบางอาชีพด้วยนะครับโหหมูสาวาทนี่มากจริงๆนะครับเเพอเจอร์นี่ก็มากสอเสียดนี่ก็มากคำหยาบนีก็มากเรียกว่าปั่นน้ําให้เป็นตัวนี่ก็บ่อยลักษณะนี้นะครับโหบาปกรรมทั้งนั้นเลยนะครับบาปรกรรมเราบางอย่างเนี่ยนะครับเวลาพูดไปแล้วเนี่ยคนอาจจะเชื่อถือแต่ตัวเองเนี่ยก็จะขาดความเชื่อถือตัวเองไปเรื่อยๆก่อนนะครับ คนอื่นเขาฟังก็ดูเออใช่ใชใ ช, ใช่นะครับดูฟังสมเหตุสมผลเป็นต้นเนี่ยนะแต่ตัวเองก็ขาดความเคารพตัวเองไปเรื่อยๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวเองในที่สุดก็เป็นไปเพื่อทุกโทษนะครับทําบาปทำกรรมให้แก่ตัวเองมากมายนะครับผมว่าอาชีพนักแสดงเนี่ยเป็นอาชีพที่เต็ไมไปด้วยโมสานะครับเต็ไมไปด้วยคำเพ้อเจ้อครับผมไม่ใช่คําว่าแสดงนี่จะโดนผมเนี่ยผมก็แสดงทำเหมือนกัน ก็สุดแท้แต่นะครับก <ços surf home> ็บางทีก็ถ้าเป็นอาชีพบางอาชีพนี่นะครับเขาก็มีราคาอยู่แล้วพอไปแสดงให้เขาราคายิ่งยิ่งขึ้นไปอีกปกติเขาก็โทสะอยู่แล้วก็ไปส่งเสริมให้โทสะของเขามากเพิ่มขึ้นไปอีกนะปกติเขาก็ไม่หรือคิดเรื่องอริยศาสตร์อยู่แล้วก็ไปปกปิดนะครับให้โมหะเขารุ่มลงมากขึ้นมากขึ้นพ่าะอาชีพหลายๆอาชีพก็ส่งเสริมบาปกรรมส่งเสริมกิเลสทั้งหลายนะครับ ทีนี้ไปไปส่งเสริมคนอื่นคนอื่นเขาก็ส่งเสริมหลอกกันไปหลอกกันมาก็วัฏฏะมันก็ยาวอย่างนี้นะครับมันต่างคนต่างช่วยกันฉุดกันเอาไว้นะครับบทว่าวิตินนะปะโลกัสะได้แก่สละโลกหน้าเสียแล้วเนี่ยนะครับที่บอกว่าข้ามโลกหน้าหรือสละโลกหน้าแล้วเนี่ยอธิบายว่าเพราะบุคคลเช่นนี้ย่อมไม่เห็นสมบัติแม้ทั้งสามเหล่านี้คือมนุษย์สมบัตินะครับ จึงอยู่มูสาวาทอาจจะเป็นเหตุให้ได้รับมนุษย์สมบัติร่ำรวยในพบนี้นะครับแต่ว่ามันถ้ามาเป็นมนุษย์ในพบหน้าล่ะเขาจะเป็นยังไงนะครับหรือว่าเขาจะได้ไปสู่เทวโลกไหมจะไปสู่สุขติโลกสวรรค์ได้ไหมแล้วก็ถ้าปฏิบัติอย่างนั้นก็ล่วงเลยนิพพานสมบัตินะครับเพราะฉะนั้นมูสาวาทเนี่ยนะครับเขาก็จะไม่เห็นสมบัติทั้ง3ประการเลยทั้งมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติแล้วก็นิพพานสมบัติต่อไป บอกว่านับถี ป, ป่าปังได้แก่บาปชื่อนี้นะครับที่คนเช่นนั้นจะไม่พึงทําไม่มีนะครับเพราะว่ามุสาวาทนี่นะครับท่านหนักๆขึ้นไปนี่ระดับไหนครับระดับอริยปววาทนี่ก็ทําสบายๆนะครับอริยปวาทาสังฆเภทนะครับหนักๆเข้าวาจีทุจริตเหล่านั้นเนี่ยนะครับคําพูดนั้นๆ น, นเนี่ยนะครับสามารถปานาฏิบัติก็ทําได้ สั่งให้ทำนะครับวจีเนี่ยคำพูดเนี่ยมากมากขึ้นนะครับล่วงไปเป็นกายกรรมก็ได้วดจีกรรมก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นมู่สาวาตเป็นเหตุแห่งการฆ่าสัตว์ก็ได้ลักษรัพย์ก็ได้แม้กระทั่งหนักๆเข้าก็เป็นไปเพื่อประพฤติผิดในกา ร, รมเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าศีลข้อใดโทษหนึ่งทะลุแล้วนะครับเดี๋ยวอย่างอื่นๆก็ทะลุไปเรื่อยๆนะครับบาปประกรรอย่างอื่นๆก็หนักหนาสาหัสแต่ที่นี้ว่า เวลากรรมมันให้ผลเนี่ยนะครับสัตว์ทั้งหลายเนี่ยสาวไปหาเหตุไม่ได้นะครับอวิชานิวอร์เนี่ยนะมันปิดกั้นหมดเลยนะครับไม่ให้มองเห็นว่าอะไรเป็นเหตุไม่ให้มองเห็นว่าอะไรเป็นผลไม่ให้มองเห็นว่าอะไรเป็นกรรมและผลของกรรมนะครับดังนั้นในส่วนตรงนี้พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเอามาเปิดเผยให้เรียนรู้นะครับถ้าหากว่าสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่เห็นทุกโทษของภัยทั้งหลายเหล่านี้ไม่เห็นโทษของ กรรมทั้งหลายเหล่านี้ก็น่าเห็นใจนะครับว่าเขากำลังเดชใช้ชีวิตไปสู่หนทางแห่งความวิบัตินะครับเป็นไปเพื่อความชีพหายไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ตัวเองแล้วก็ในขณะเดียวกันก็เป็นไปเพื่อทำลายผู้อื่นด้วยในในตัวนะครับ